มันก็จะช้าตรงที่แบบอวัยวดิบหลายๆอย่างอ่ะมันยังไม่ลงวัฒน์มันกําลังเร่งเตรียมเราก็ต้องยอมเสียเวลากับพวกมันเพื่อจะทำให้เนื้อสัตว์ไม่มีอิ่นสาบมันก็จะช้าตรงที่แบบอวัยวดิบหลายๆอย่างอ่ะมันยังไม่ลงวัทะมันกําลังเร่งเตรียมเราก็ต้องยอมเสียเวลากับพวกมันเพื่อจะทำให้เนื้อสัตว์ไม่มีกิ่นสาบ